เรื่องเล่าผีหลอนตอนเทวรูปกินคนภาคสองเรื่องเล่าเก่าแก่เมื่อหลายสิบปีก่อนมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆคนที่นั่นมีอาชีพทำไร่ทำสวนซะส่วนใหญ่และแล้ววันหนึ่งก็มีชายแปลกหน้ามาจากกรุงเทพ มาซื้อที่ดินจากคนในหมู่บ้านคนหนึ่งที่หวังเอาเงินไปเสี่ยงโชคในเมืองกรุงชายแปลกหน้าผู้นั้นก็เข้ามาปลูกบ้านทิ้งไว้แล้วหลังจากบ้านสร้างเสร็จเขาก็หายตัวไปหลังจากวันที่มาดูบ้านครั้งสุดท้ายผ่านมาได้เกือบเดือนทางบ้านเริ่มเห็นท่าไม่ดีเพราะเขาขาดการติดต่อเป็นนานมาก น้องชายผู้ซึ่งเป็นตำรวจชักสงสัยเลยตัดสินใจขอให้ผู้ใหญ่ช่วยย้ายเขาให้มาประจำการที่อำเภอที่พี่ชายได้หายตัวไปเพื่อหวังจะตามหาพี่ของเขาเมื่อมาอยู่ได้สักพักเขาก็เริ่มสืบหาเบาะแสสิ่งที่พบจากแฟ้มบันทึกประจำวันคือมีคนมาแจ้งเรื่องคนหายทุกเดือนเดือนละสองถึงสราย เขาถามเพื่อนร่วมงานก็ได้ความว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างถิ่นและพวกนักเลงแถวนั้นแต่ไม่ว่าจะสืบยังไงก็ไม่เคยจับคนร้ายได้สักทีเขาอยากหาข้อมูลเพิ่มจึงไปยังบ้านหลังที่พี่ชายหายตัวไปพร้อมกับเพื่อนที่เป็นตำรวจด้วยกันเพื่อนเขาเล่าว่าหมู่บ้านที่จะไปเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แต่ใครๆก็อยากได้ที่ตรงนั้นเพราะดินที่นั่นปลูกอะไรก็งามได้ราคาดีแต่แย่ตรงที่คนแถวนั้นไม่ชอบสูงสิงกับใครคงเพราะหวงที่ดินมากนั่นแหละกลัวคนจะมาล่อซื้อที่ดินของตัวเองเมื่อไปถึงก็พบกับชาวบ้านที่หน้าตาดูแล้วไม่ค่อยจะเป็นมิตรนักเมื่อถึงที่หมายเวลาประมาณสี่โมงเย็น เขาเดินเข้ามาในตัวบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวหลังเล็กๆบ้านมีแต่ฝุ่นและหยักใยเต็มไปหมดข้างในนั้นมืดมากสวิตช์ไฟก็ไม่ทำงานเมื่อสำรวจรอบๆเขาก็พบอะไรบางอย่างที่ตรงกลางห้องบนพื้นมีรอยคล้ายๆรอยเลือดแห้งๆเขาคิดขึ้นมาทันทีว่าต้องเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับพี่ชายแน่ ทันใดนั้นก็มีของแข็งฟาดลงที่ท้ายทอยเข้าอย่างจังจนเขาสลบไปเวลาผ่านไปเขาก็คืนสติลืมตาขึ้นมามองก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดเขาเริ่มตั้งสติได้ก็พบว่าตัวเองถูกมัดมือมัดเท้าอยู่ในที่แคบแคบแทบขยับตัวไม่ได้รอ บ, รบ เป็นน้ำสูงถึงคอหอยและอึดอัดแทบไม่มีอากาศหายใจเขาคงถูกโยนใส่ถังอะไรสักอย่างกลิ่นในนั้นเหม็นเน่ามากแล้วคล้ายมีอะไรลอยไปมาในถังแต่โดยความโชคดีที่เขาเอามีดพกอันเล็กๆติดตัวมาด้วยจึงพยายามสะบัดตัวแรงๆให้มีดตกออกมาจากกระเป๋ากางเกง แล้วใช้มือที่ถูกมัดควานหาจากนั้นก็พยายามจะใช้มีดค่อยๆตัดเชือกที่มัดขาออกเขาต้องนั่งท่าคุกเขา่าเพื่อให้ปลายมีดไปถึงเชือกที่มัดขาพอลงไปก็ต้องกลั้นหายใจในน้ำเนา่าการแก้มัดเป็นไปอย่างทุลักทุเลแต่แล้วก็สำเร็จเขาค่อยๆแง้มฝาถังออกมาช้าๆมองไปรอบๆ ให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่แล้วก็โผล่พรวดออกมาเขามองลงมาในถังที่เขาแช่อยู่ภาพที่เห็นทำเอาเขาถึงกับอาจเจียนออกมาในทันทีเพราะในถังมีแต่เลือดน้าหนองซากศพที่เน่าเปื่อยและบรรดาหนอนมแมลงวันหน้าขยะขยะแขงเขารีบออกมาจากถังทันทีแล้วก็เริ่มตั้งสติมองไป ร, บรอบ พบว่าที่นี่ก็คือใต้ถุนบ้านของใครสักคนข้างนอกมันมืดมากตอนนี้คงจะดึกมากแล้วเขาคงสลบไปหลายชั่วโมงแต่เวลานี้สิ่งที่ควรทำก็คือออกมาจากที่นั่นแต่ก็นึกได้ว่าแล้วเพื่อนที่มาด้วยกันละ่ะเขาเปิดถังอีกถังข้างกันก็พบเพื่อนนอนสลบอยู่เขาจึงแบกเพื่อนออกมา โชคดีที่ถังไม่ใหญ่มากทำไมอย่างนั้นแล้วเขาทั้งสองคงจมน้ำเลือดน้ำหนองตายแน่ๆแล้วเขาก็รีบตัดเชือกที่มัดเพื่อนแล้วแบกกลับไปที่รถแล้วก็ไม่รอช้ารีบออกรถทันทีเขาขับตรงไปที่โรงพักตอนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนสักพักเพื่อนเขารู้สึกตัวก่ออาเจียนออกมาทันที ร้องโวยวายลั่นรถแล้วเขาก็เล่าทุกอย่างให้เพื่อนฟังระหว่างขับรถพอถึงโรงพักเพื่อนรวมงานเห็นสภาพทั้งคู่ตัวเปื้อนเลือดเหม็นกลิ่นศพเน่าทั้งตัวก็อ้าปากค้างเป็นแถบเขาจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังเช้าวันต่อมาตำรวจยกกำลังไปจับกลุ่มและค้นหมู่บ้านก็พบว่าเกือบทุกบ้านมีถังหมักศพทุกบ้าน เป็นเรื่องน่าสยองเราลือกันไปทุกบางทุกคุม้มว่าหมู่บ้านนี้ฆ่าคนไปทำปุ๋ยจากนั้นก็จับผู้ก่อเหตุฆาตกรรมมาได้ยี่สิบคนหลังสอบปากคาก็ได้ความว่าเมื่อก่อนที่ดินที่นี่ย่ำแย่มากปลูกอะไรก็ไม่โตจนวันหนึ่งมีหมอขเขมรเอารูปปั้นหนึ่งมาทิ้งไว้บอกว่า เอาเลือดและเครื่องในไก่หรือเครื่องในหมูมาบูชาเทวรูปองนี้โดยเทใส่พื้นดินแล้วจะช่วยให้พืชผลงอกงามเมื่อทำตามก็เป็นดังหมอขเขมรว่าทุกคนต่างดีใจแต่แล้วก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นเทวรูปนั้นรูปร่างแปลกไปท้องของเทวรูปโตขึ้นเรื่อยๆแล้วจูๆ่ๆ เด็กในหมู่บ้านก็ตายอย่างประหลาดถูกควักไส้ควักพุงออกไปหมดคนในหมู่บ้านจึงคิดว่าไก่ตัวเดียวคงจะไม่พอจึงเพิ่มเป็นสิบตัวแต่ว่าก็ยังมีเด็กตายอยู่จนเด็กในหมู่บ้านถูกฆ่าจนหมดคราวนี้ก็ถึงทีของผู้ใหญ่ทุกคนจึงคิดว่าเทวรูปคงชอบเนื้อมนุษย์มากกว่า เพื่อรักษาชีวิตพวกเขาไว้จึงลอบฆ่าคนมาเป็นอาหารให้กับเทวรูปอาทิตย์ละคนจากนั้นก็ไม่มีใครตายอีกเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ยากที่จะเชื่อจึงกักขังชาวบ้านไว้ที่โรงพักแล้วเอาศพที่พอจะหลงเหลือรูปลักษณ์ให้พอจำได้ว่าเป็นใครให้ญาติมารับส่วนที่ไม่มีญาติ ก็ส่งให้วัดไปทําพิธีเผาผ่านมาจากนั้นก็ส่งเรื่องไปที่ศาลและเรือนจําประจําจังหวัดแต่สมัยนั้นการสื่อสารค่อนข้างช้าจึงใช้เวลานานผ่านมาได้อาทิตย์กว่าก็เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นกลางดึกคืนนั้นตํารวจสามนายกําลังอยู่เวรทุกอย่างก็ปกติดีจนเวลาประมาณตีสาม เขาก็ได้ยินเสียงผู้ต้องหาคือคนในหมู่บ้านทั้งยี่สิบกว่าคนบวยวายบอกว่ามันกําลังจะมาผีเทวรูปมันกําลังจะมาปล่อยพวกเราไปเถอะนายตำรวจผู้นั้นที่อยู่เวรก็คือน้องชายของคนที่โดนชาวบ้านฆ่าตายด้วยความแค้นจึงขู่ว่าฆ่าพี่ชายกูยังมีหน้าให้กูปล่อยมันจะมากินใช่ไหมดีเลย จะได้เปิดประตูต้อนรับมันแต่ชายแก่ผู้หนึ่งพูดว่าเทวรูปผีตัวนี้มันกินไม่เลือกหรอกนะจากนั้นไฟก็ดับปรึบลงพร้อมเสียงครีดร้องอย่างทรมานดังขึ้นตำรวจหนุ่มไม่รอช้ารีบวิ่งไปดูแต่เพื่อนที่อยู่เวรด้วยกันก็เข้ามาก่อนหน้าตาตื่นพูดจาด้วยน้ำเสียงที่ตื่นกลัวบอกว่า รีบหนีเร็วมันมาแล้วเขาถามกลับไปว่าหนีอะไรแล้วจ่าอีกคนละ่ะเพื่อนก็ตอบกลับมาว่าจ่าตายแล้วจ่าโดนมันกินรีบหนีเร็วทั้งคู่ก็รีบวิ่งออกมาทิ้งให้ชาวบ้านในห้องขังร้องไห้โอดครวญด้วยความกลัวทั้งคู่วิ่งลงมาถึงห้องรับแจ้งความด้านหน้าแต่ต้องชะงัก เพราะเสียงคล้ายคนกำลังกินอะไรอย่างมุมมามเขาพิงตัวกับผนังแล้วค่อยๆ ย, ยื่นหน้าไปดูภาพที่เห็นทำเอาใจแทบวายมีร่างอ้วนตัวดำทมินกำลังควักไส้พุงจามากินอย่างมีความสุขพร้อมเสียงหัวเราะแห้งๆชวนขนลุกทางคู่จึงตัดสินใจไปหลบบนชั้นสองเขาคิดว่า จะหลบที่ห้องพักชั้นสองจนกว่าจะเช้าเสียงของชาวบ้านในห้องขังร้องโอดครวนดังอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกลายเป็นเสียงกรีดร้องอย่างทรมานทั้งสองนั่งจ้องประตูตาไม่กระพริบในใจก็คิดไปต่างๆนานาว่าถ้ามันเข้ามาจะทายังไงดีแต่ก็ทำได้แค่จ้องมองตัวสัน่นด้วยความหวาดกลัว และแล้วเสียงก็เงียบไปจนเขาทั้งสองคิดว่าเทวรูปผีนั่นคงกินทุกคนแล้วจากไปแล้วเพื่อนเขาก็เดินไปเปิดประตูแต่ทั้งคู่ก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อสิ่งที่รออยู่หน้าประตูคือร่างอ้วนดำทมินในตาสีแดงกำลังสยยิ้มอย่างสุดสยองในปากมีเขี้ยวสี่เล็กๆ เ, เ, เรียงราย พร้อมคราบเลือดสดๆมันยื่นมือไปข้างหน้าแล้วพุ่งเข้าหาเพื่อนเขาที่ยืนแข็งทื่ออยู่มือมันทะลุเข้าไปในท้องพร้อมเสียงหัวเราะและรอยยิ้มชวนสยองนายตำรวจหนุ่มสติแตกได้แต่นั่งมองดูเพื่อนกำลังถูกควักไส้ออกมากินต่อหน้าต่อตาเสียงกินที่ดังแจ๊บแจ๊หน้าคนลุกซ้ำเจ้าเทวรูปนั่น ยังหันมามองหน้าเขาพร้อมยิ้มให้ในขณะที่ไส้ยังคาปากราวกับจะบอกว่าเขาคือรายต่อไปเขาสติแตกด้วยความกลัวสุดขีดร่างกายอ่อนล้าขยับไม่ไหวได้แต่ร้องโวยวายแต่แล้วผีตัวนั้นจู่ๆก็นิ่งไปแล้วก็รีบวิ่งหนีหายไปเวลาผ่านไปสักพัก แสงหนึ่งลอดมาจากหน้าต่างมันคือแสงของพระอาทิตย์ตำรวจหนุ่มหมดแรงสลบไปตื่นมาอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังมันฟังดูไม่น่าเชื่อแต่สุดท้ายก็ต้องเชื่อเพราะศพที่โรงพักตายในสภาพถูกควักเครื่องในเหมือนกันหมดจนทางผู้ใหญ่ ได้เชิญผู้มีวิชาอาคมมาจัดการเขาบอกว่าคงทำลายมันไม่ได้เพราะมันกินวิญญาณคนจนมีพลังแกร่งกล้าถึงในตอนกลางวันมันจะเหมือนรูปปั้นธรรมดาก็เถอะแต่อย่างน้อยก็สะกดวิญญาณมันไว้ได้แต่ห้ามให้มนุษย์เข้าใกล้มันเด็ดขาดไม่อย่างนั้นความหิวในตัวมันจะปลุกมันให้ตื่น ตำรวจนายหนึ่งอาสาเก็บมันไว้ในที่ดินรกร้างของวงตระกูลเขาเองเทวรูปถูกฝังไว้ที่นั่นนานหลายสิบปีจนมีคนมาขอซื้อที่ตรงนั้นลูกหลานผู้ไม่รู้เรื่องจึงขายที่ตรงนั้นไปจากนี้ก็ได้แต่ขอให้คนที่ซื้อไปไม่เจอกับมันเข้าเพราะเมื่อใดที่มันได้สัมผัสเนื้อหนังมนุษย์ ความหิวของมันจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ขอให้คุณผู้ฟังใช้วิจารณญาณในการรับฟังโปรดรับฟังเพื่อความบันเทิงกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องเรื่องเล่าผีหลอนและก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของเรื่องมาณที่นี้ด้วยนะครับ